بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و ع ل ى عليه وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا اللهم فقه في الدين وعلم ت ا و ي ن a s ุ a l a m u a ุ a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาและประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้การเรียนพิเศษเหตุที่ว่าพิเศษเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของ ส0วันแรกของเดือนรุ่นฮิจรัดังนั้นแต่ละอักษรที่เราอ่านวันนี้การเรียนศาสนาของเราเนี่ยท่านนาบีบอกว่าประเสริฐกว่าการจีฮาร์ฟีซาบีลินละการจีฮารตพี่น้องทราบดีเนาะว่าเป็นเรื่องที่ต้องฝืนอารมณ์มากที่สุดแล้วเพราะมันวัดกันระหว่างความเป็นและความตายสมัยก่อนไม่ได้กดรีโมทแล้วจะรวดวิ่งไปพี่น้องดาบเนี่ยพาดอยู่บนคอ นะรบๆกันอยู่ก็ธนูจากไหนก็ไม่รู้มาปักนั้นความเจ็บปวดเราโดนมีดบาดนิดเดียวเรายังเจ็บเลยแล้วนี่ดาบนะครับธนูเอวยคมหอกคมดาบแต่นบีบอกว่ามีการงานที่ประเสริฐกว่าก็คือการทำอามันอิบาดะการทำอามันทีซอลเละในช่วงสิบวันแรก ยกเว้นกรณีที่คนที่ออกไปด้วยกับตัวของเขาและก็ทรัพย์ของเขาและเขาก็ไม่ได้กลับมาแปลว่าตายเฉีหีดนั่นเองถ้าตายเฉีีดแต่ถึงจะประเสริฐกว่าเราดังนั้นวันนี้มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับในการเรียนกุรานเพราะการเรียนกุรานถือว่าเป็นอิบาร์ดะที่มีความประเสริฐ จ, จะบอกว่ามากก็พูดได้พี่น้องเพราะว่าคํานิยามของคนดีเนี่ย หนึ่งในนั้นก็คือคนที่ศึกษากุรานและคนที่สอนกุรานนะคอยรุนนาสนะมันจานและมันกุรานอวันและมาหูคนที่ดีที่สุดในหมู่สุ่เจ้าทั้งหลายนะก็คือคนที่ศึกษากุรานและคนที่เรียนกุรานคอยรู ก, กุ้มน ะ, ะวันนี้เราเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นด้วยกับ ฟาติฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาอ่านในอายะที่64สิบสี่ในสุร์อันนิสซะนะครับเจอนะหกสิบสี่ว่ามาอัลซัลแนมิรอซูลินอิลลัลิุตาะอับบิอิดนินลาเดี๋ยวเริ่มฟาติฮะก่อนนะครับอาอูบิลลห์ฮิมินัสเชีตาะนิรรจีม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم a l h a m ل ل l i l l a h i rabbil a l a m ا ل ر l r a h m a n al-Rahim ม ا ل กียามิดดินいや كنا عبود و い ا كنا استعين إِذِ ا ل ن َ ل ص ِ ر َ ط ا ل ْ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م สิร ط ต الذين أنعمت عليهم غير المضبوبي عليهم ولا อาเมนอ ل างอุ ا ุบิลลาฮิมินอชชัยตานิรจิมว่มาอสลนมิรสลินอ He. ฉาจาร ن บไปนั่นหุ่มดีกาคิโมกาฟีฉาจารับไปนั่นหุม ثمّ ما لا يجدو في أنفسهم حرج مما قضيت วายุส ล, ลิมุตสลิมะอ่าอ่านท่ำดูอีกแล้วนะครับมาดูความหมายแบบกระชับนะอายะที่64นะยังอยู่ในเรื่องของการเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังรอซูลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจำเป็นแบบไหนอะ่ะจำเป็นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย อ่านั้นการเชื่อฟังอัลลอ์และการเชื่อฟังรอซูเนี่ยต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่าแต่ถ้าทำไม่ได้นกะก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่าเพราะตรงนี้ฟัสตะกุลลอฮมัสตะเตะตุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอ์ตามที่ท่านมีความสามารถเพราะถ้าพูดถึงว่าการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีเนี่ยแม้กระทั่งซอบ้านนบีเองเนี่ยยังรู้เลยว่าจะทำเหมือนนบีทุกอย่างเลยเป๊ะเลยนะ ก็ยังทําไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะบางอย่างเนี่ยท่านอบีเนี่ ย, เ ก, กยนะเก็บหมดทุกอย่างนะครับเก็บหมดทุกอย่างนะเอาแค่เรื่องเดียวที่เราเรียนกันก็คือว่าสุนนะอย่างหนึ่งคือการละหมาดตาฮัดยุทธของท่านนาบีเนี่ยละหมาดยืนจนกระทั่งเท้าบวมของเราเนี่เดินช็อปปิง้งเท้าวบวมของฉันนี่ขับรถเท้าบวมนะเพราะว่าขับรถไปสอนหนังสือเด็กไปไกลจนเดินเท้าเดินบวม แต่ก็เป็นอิบาดนะเพราะว่าเราขับรถไปสอนหนังสือไม่ได้ขับรถไปไปทําในเรื่องไร้าสาระแต่นบีของเราเนี่ยยืนละหมาดนะครับแต่ครนี้แน่นอนว่าเราต้องยอมรับให้แบบเอาไว้ ก, ก, ก็คงไม่ได้ครบทั้งหมดแต่ก็พยายามทําให้ถึงที่สุดและเราจะปฏิเสธปฏิเสธแบบฉบับของขา น, นาบีไม่ได้ไปคิดว่าเอาล้อไอการทําแบบเนี้ย มันดูไม่ทันสมัยไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมความสมถอะออิสลามเนี่ยสอนให้เรามีความสมถะคำ ว, ว่าสมถะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ไม่ต้องพิถีพิถันกับดุญยามากเกินไปอ่าเพาๆลงบ้างเออ ผ่อนหน่อยเรื่องตุนยาผ่อนหน่อยแล้วก็เน้นเรื่องอาคขีรรภวันเห็นก็ไปบรรยายมาบางทีจะออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องเลือกอยู่ประมาณชั่วโมงเนี่ยไม่รู้จะใส่ชุดอะไรนะมันเยอะแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีชุดเดียวอย่างเงี้ยแต่สมัยเราเนี่ยโอ้โหเราพิถีพิธันก็เรื่องตุนยามากจนกระทั่งบางทีเราลืมแก่นแสนขอ ง, อ, ข อ, งอิสลามก็คือการล้ำลึกถึงโลกหน้านะครับหรือความตายนั่นเองอะ ว่ามาอารัสน์น่ะอ่ามาดูนะว่ามาอารัสนาแปลว่าอะไรแปลว่าและเราไม่ได้ทรงรอซูลท่านใดมาอิลลาเวนแต่นอกจากลีอูตออบีอินนลานอกจากเพื่อให้เขานั้นได้รับการเชื่อฟังเขาก้นี้ก็หมายถึงบรรดารอซูลอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเป้าหมายก็คือให้เราเนี่ยเชื่อฟังผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาก็คือบรรดารอซูลทั้งหลาย บ mm ีอินิ many, ่ลาด้วยอนุมัติของลอแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งมาแม้กระทั่งนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวัสัลลัมเนี่ยมีคนเชื่อฟังหมดหมไม่หมดกบางคนมันก็เกียดิกัมีเกียดตินบีก็มีอย่าอบูอบูจหันอย่างเงี้ยอบูลาฮับอย่างเงี้ยนะอบูละฮับเลยแหละไม่ฟังเลยอุดหูเลยเดินผ่านมืออุดหูบีอิดนิ่และด้วยอนุมัติของลอ บางคนเนี่ยเอาลอไม่ให้เตาฟิกไม่ให้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะฮิดายะอ่ฮิดาย ะ, ะ, ายะฉันเคยบอกนะฮิดายะสองแบบนะฮิยาดับซาบบิยะฮิดายะที่เกี่ยวกับสาเหตุหมายถึงพวกเราทํากันทุกคนแต่ผลของการที่จะรับไม่รับเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่สาเหตุเราต้องมีนคนบอกต้องเตือนต้องสอนส่วนฟังไม่ฟังอีกเรื่องหนึ่งของเขาเขาเป็นคนตัดสินใจเขาเอง นะบีดนล่หะด้วยการอนุมัติของลอเท่านั้นว่าเราอันหุมอิลามูอันฟุษะหุมเจาอูกะและแม้ว่าพวกเขานั้นขณะที่พวกเขาอาธรรมแก่ตัวเองซิลามูทาบาปทําผิดกับตัวเองพวกเขาได้มาหาเจ้าจ้าอูกะมหานาบีมหารอซูลฟัสตักฟรุล และขออภัยโทษต่ตอรอวัตสตัคฟอรอดและฮูมุรรสรอซูลและตัวของท่านรอซูลเองก็ขออภัยโทษต่อรอให้กับเขาด้วยอันนี้ต้องดูให้ดีใครขอให้ใครอรอซูนเป็นประธานก็คือตัวท่านนาบีขออภัยโทษต่อรอให้กับละหุม่มพวกเขาเขาขอต่อรอและนบีก็ขออภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยอันนี้เราสามารถทําได้นะ แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถขอไพร่โทษให้กับบรรดาลูกหลานคนที่อยู่ในตระกูลย่อมะเรานะครับโดยเฉพาะทีะ่ยังมีชีวิตแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วได้ทั้งหมดเลยทั้งตายและเป็นนะถ้าตายเนี่ยเงื่อนไขยอย่างเดียวก็คือต้องเป็นมุสลิมด้วยถ้าไม่เป็นมุสลิมไม่ได้นะตอนเป็นก็ขอขออะไรขอให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะทายงไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเป็นมุสลิมนะขออภัยโทษให้ทั้งตอนเป็นและตอนตายได้ แล้วจะดุลลอแน่นอนพวกเขาก็ย่อมพบว่าอัลลอฮ์นั้นตวาวะบารฮีมาเป็นผู้ที่อภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอา้าวอายาต่อมาเฟลาวรบบิกาไม่ใช่เช่นนั้นดอกอ่าบางครั้งพี่น้องภายนอกดูดี แต่หัวใจอาจจะซ่อนเล้นบางอย่างอยู่อัลลอฮฺจึงบอกอุบายของพวกเขาว่ามิช่เช่นนั้นดอกแลยุมีนูน่ะขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าว่าน่ะบอกว่าไงวารอบบีกะหน่าวารอบบิกาตรงนี้เป็นวาลิสาบานนะฟาระหาไมิชัเช่นนั้นว่ฟารอบวารอบบิกาขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าว่าเขาเหล่านั้นแลยุมีนูน่ะ เขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัท ธ, ธาจนกว่าจนกว่าเงื่อนไขฮัตต uh ่อยู่ฮัตกี่มูก้าจนกว่าพวกเขานั้นจะให้เจ้าตัดสินฟีมาชาจารอนะให้พระเจ้าตัดสินนะครับในสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างพวกเขาซุมมาหลังจากนั้นนะเมื่อตัดสินแล้ว เมื่อเมื่อนบีตัดสินแล้วซุมมาหลังจากนั้นนะพวกเขาก็พบว่าจะไม่มีความคับอกคับใจเลเจจีดูฟีอันฟูซีหิมฮาร์รอจัมไม่มีความคับอกคับใจใดๆในจิตใจของพวกเขามิมมาเกอดโดยตะในสิ่งที่ได้ตัดสินไปแล้วเวลานาบีตัดสินยอมรับก็จริงแต่ในใจเป็นไง ยังคุกคุลอยู่ทำไมนะดีนบีตัดสินแบบนี้ยอมรับไม่ยอมรับแต่ก็แม่ไม่พอใจในสิ่งที่นบีตัดสินนะว้ยุ่ซะลีมูตส์ลีมาและเขาก็ยอมรับโดยจำนนอ่าเงื่อนไขที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าจะมาขออภัยโทษต่อลอ ก, ก็ดีนะหรือให้นบีขออภัยโทษ ด, ด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแสดงถึงการเป็นผู้ศรัทธาต้องยอมรับการตัดสินของใครของท่านนาบี คราวนี้มันก็มีเรื่องสิอ่ามีเรื่องและสาเหตุตรงนี้แหละพี่น้องนะเป็นสิ่งที่เราจะจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์อายกุรานก็ถูกประทานลงมาตรงนี้ครับมีเหตุการณ์หนึ่งนะอัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยกับตัวของพระ อ, องค์เองว่าคนหนึ่งคนใดยังไม่ศรัทธาจนกระทั่งเขาจะให้ท่านรอซูลเป็นผู้ที่ชี้ขาดในทุกเรื่อง นะและเรื่องใดที่ท่านรอซูลได้ตัดสินชี้ขาดไปแล้วนั่นคือความจริงสิ่งที่เป็นความจริงจะต้องปฏิบัติตามทั้งภายในและก็ภายนอกไอภายนอกเนี่ยอาจจะดูกันง่ายแต่ภายในเนี่ยไม่ยอมรับก็ไม่ได้ต้องทั้งภายในและภายนอกด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาแลจึงได้บอกว่าหลังจากนั้นเมื่อเมื่อนบีตัดสินแล้วต้องไม่มีความขับอกับใจแค้นใจอยู่ มีรายงานมาจากบคมีรายงานมาจากท่านอุรวะบุตรของอัสซูเบิดปรากฏว่าทะเลาะกันกับชายคนหนึ่งในเรื่องของทางน้ำสมัยก่อนเนาะการประปา ม, ม, ม, มันมันไม่มีท่อมันกระไหลมาเป็นร่องน้ำมาเนี่ยใช่ไหมเขาก็จัดระบบเหมือนกับชนลปะปทานนี่แหละมีทางน้ำมาก็ท่านนบีก็ได้กล่าวว่าอิสกิยาซูเบร โอซูเบตเอ๋ยจงรดน้ําเสียก่อนนะใช้น้ําก่อนเพราะน้ํามันผ่านบ้านซูเบตก่อนก็ใช้น้ําไปซุมมาอารซิลินอารซาลินมาอีลาจาริกาหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ยําไปยังเพื่อนบ้านของท่านน้ำเนี่ยมันไหลผ่านบ้านใครบ้านซูเบตใช่ไหมซูเบตก็นบีก็บอกให้ใช้น้ําก่อนตักน้ําก่อนแต่ไม่ตักหมดนะไม่ใช่ดกักเข้าบ้านตัวเองหมดเมื่อใช้ ของตัวเองแล้วก็ปล่อยน้ําให้มันไหลผ่านไปอย่าไปดักหมดอ้เออปรากฏว่าชาวอันซอรที่เป็นคู่กรณีกับซูเบสเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านรอซูลทําไมท่านตัดสินเช่นนี้อ่าเออทําไมตัดสินยี้ไอ้นี่ก็เดี๋ยวตักก่อนเดี๋ยวมันกลัวไม่เหลือก็นบีบอกแล้วว่าตักก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ปล่อยไปนะแหมก็คือต้องรอน่ะหละแล้วคนคนนี้พูดว่าไงรู้ป่ะบอกว่าที่นบีตัดสินแบบเนี้ย เพราะว่าซูเบสเนี่ยเป็นญาตินบีใช่ปะถึงให้แบบนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องเ่ยซูเบสบินอาวามซูเบสบินอาวามก็มาแต่งงานกับท่านหญิงอัสมายัสมาก็เป็นใครเอซิโน่ก็เป็นพี่สาวของท่านหญิงไงชาจ่ายอย่างเป็นญาติาตั้งฝั่งภรรยาพี่ภรรยานาบีกับภรรยาซูเบสเนี่ยเป็นพี่น้องกันเนี่ย เ, เยขาเคยเล็กเคยใหญ่ <laughs> ก็บอกว่านาบีเนี่ยตัดสินเข้าข้าง ญาติน บ, บีอ่าไอ้นี่เห็นไหมเริ่มเริ่มว่าน บ, บีแล้วทั้งทั้งนี่น บ, บีตัดสินนะถูกต้องแล้วอ่าพอน บ, บีได้ยินเท่านี้แหละนะบอกว่าไงฟะเตฟะเตฟะตะวลฟะตฟะละวะนะวาจาหูรอซูลินละใบหน้าน บ, บีเป็นไงเปลี่ยนสีเลยสีนี่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูมั้ยสีแดง เริมมีก็โกรธด้วยสิโกรธน บ, บีโกรธเป็นไหมเป็นไมนบีเป็นคนบบไม่เป็นละน บ, บีเป็นมนุษย์มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อะไรนะมีอารมณ์ขันบางทีน บ, บีก็ยิ้มใช่ไหมอ่าแล้วโกรธก็เป็นหนึ่งในอารมณ์แสดงว่าน บ, บีพอใจไม่ถ้าไม่พอใจแล้วไอน้นี่พูดจะจาบจ้วงเนี่ยถ้าอุ ม, มัดอยู่ก็ดาบออกจากฝากสิ <laughs> อุ ม, มัะไม่ได้เลยนะเออใครมาพูดจะไม่ดีแล้วก็ดาบออกจากฝากไง อ้าวต่อมาซุมมาก็ล่ละอิสกิยาซูเบธนบีบอกใหม่ตัดสินใหม่อิสกิยาซูเบตจนรถน้ำเสียก่อนนะซุมมเอ๊ะบีซิลมะกักน้ำเอาไว้เลยกั้นเลยซูเบธกั้นน้ำไว้เลยฮัตตาย์ฮัตตาย์จียอิลาจัดรีกักน้ำเอาไว้จนกระทั่งมันไหลคืนกลับไปยังแหล่งน้ำของมัน แปลว่าน้ำเนี่ยไม่ไหลเข้าบ้านอีกคนนี้แล้วเพราะกักเอาไว้หลังจากนั้นน้ําก็กลับไปที่เดิมเดิมเนี่ยปล่อยน้ําให้มันไหลไปแต่นี้นบีสั่งบอกกักน้ําและให้น้ำมันกลับไปที่เดิมไอ้นี่ไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องใช้น้ําแล้วนะอ่<笑><笑>ก็ก็ไม่ยอมรับเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาเลยนะคือประเด็นคือไม่ยอมรับการตัดสินนบีนบีตัดเลยอะไรงไม่ต้องรับละซุมมาเอลซินมาอิลลาจาริกาแล้วก็บอกต่อว่า หลังจากนั้นก็ปล่อยน้ําไปยังเพื่อนบ้านของท่านแต่สุดท้ายก็น้ํามันก็ไหลเออกลับมาอยู่ดีแหละเพราะเวลามันกลับไปมันไหลกลับมาก็ไปสุดท้ายแต่ช้าหน่อยเดิมเนี่ยอันแรกเลยคือเอาใช้น้ําน้ําก็ปล่อยให้มันไหลไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ดมันก็ไม่แต่มันก็ช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าตักเฉยๆไม่ได้กักน้ำนี่น้ํามันไหลแล้ก็ตักอาจจะเหลือไม่เยอะต่อแต่ว่าก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมอันที่สองนี่ให้กักไว้เลยให้มันกลับไปที่เดิมแล้วมันเออเมื่อไหร่ค่อยไปถึงอีบ้านหนึ่ง อันนี้ช้ากว่าเดิมอีกอ่ะนี่คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมีเรื่องหนึ่งเป็นเป็นฮะดีสที่มุรสินนะสายรายงานอ่อนนะครับแต่ก็อิมามอินูกาซิดเอามาเขียนเอาไว้นะซึ่งก็รับฟังได้นะรับฟังได้อีกสาเหตุในของการอธิบายของอายะของเขาเยนะของซาบบูซูนของของอายะนี้มีเรื่องอยู่ว่า อิบรอฮิมอิบนนอับดิรอห์มานอิบโนอิบรอฮิมอิบน ด, ดูดูไฮมชื่อยาวเนาะชื่อเต็มๆชื่ออัลฮาฟิดอบูอิสฮะอิบรอฮิมเนี่ยคือชื่อเขาชื่ออบรอฮิมนะอิบนนอับดิรอห์มานเป็นลูกชายของอับดุรอห์มานตระกูลดูเฮมได้กล่าวไว้ในคําอธิบายอายะกรานโดยมีรายงานมาจากตอมมารอบอกว่า แท้จริงมีชายอยู่สองคนทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็มาหาเนาบีแล้วท่านก็ได้ตัดสินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์คู่กรณีก็กล่าวว่าฉันไม่ยอมไม่ยอมการตัดสินเนบีและผู้ที่มีสิทธิ์ที่ตัดสินว่าได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาก็ถามว่าและให้ทํายังไงอ่ะในเมื่อเนบีตัดสินมาแล้วท่านก็ยังไม่ยอมอีกคือไอตอนนบีตัดสินเนี่ยยอม หลังออกจากมาเหลือสองคนแล้วเนี่ยนบีสายทางี้ก็มาเจรจาบอกเฮอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมเรกที่นบีตัดสินนอกไม่แต่ตอนหน้านี่ก็ทําเหมือนกับอา่จาจา่าจ่าเสร็จแล้วเขาถามว่าจะให้ทํายังไงเมื่อ น, นบีตัดสินแล้วฉันก็ต้องตามนั้นแหละเขาก็บอกว่าเยันเราไปหาใครไปหาบูบักกันอไปหาบูบักกันนะทั้งสองก็จูงมือไปจนกระทั่งอบูบัก นดมาถามว่าเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรเขาก็เล่าว่าตอนนี้น บ, บีตัดสินมาแล้วอบูบคัคบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาเลยในเมื่อน บ, บีตัดสินมาก็ให้ปฏิบัติตามที่น บ, บีตัดสินนั่นแหละไม่ต้องมาให้ฉันชี้ขาดแล้วเพราะใครชี้ขาดมาน บ, บีชี้ขาดมาแล้วจะไม่ต้องมาให้ฉันตัดสินนี่ล่ะไอ้ดีพอใจไหมไม่พอใจอีกจูงกันไปบ้านอุมัตอ่านี่เดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องแน่ ไปบ้านอุมัตนะเพราะกฏวะชายทั้งสองคนก็ไปหาท่านอุมัตนะครับทั้งสองก็ไปแล้วก็ได้รับการตัดสินนะผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ได้ก็กล่าวว่าความจริงเราขัดแย้งกันจนกระทั่งเราไปหานาบับีและท่านอบีก็ตัดสินให้แก่เราแต่เขาเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่นับีตัดสินท่านอุมัตก็ได้ถามว่า เขาก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นไหมอ่าอุมัดก็ก็ได้ถามเขาเขาก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแหละคือถามแล้วนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นฉันก็ไม่ยอมจริงจรอุมัดก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ถือดาบออกมาอ่าก็นั่นแหละพี่น้องไอ้นั่นที่ไม่ยอมก็หัวรูดจะเดีโดนฟันอะเพราะการไม่ยอมรับการตัดสินของท่านนาบีเนี่ยก็ถือว่าสถานะก็คือ เป็นกบดแล้วเป็นกาเฟสแล้วนะอันนี้ก็เป็นฮะดีสที่ได้เล่ามาแต่ผมลือกปนนีหนึ่งนะเป็นฮะดีสมุรสันเป็นฮะดีสที่สายรายงานอ่อนนะครับนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความดิดขาดท่านอุมัตก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันอ่านะเพราะท่านเองกถ็ถ้าเห็นอะไรไม่นั่นท่านก็ดุเลยแหละนะคือมีอยู่ฮะดีสบทหนึ่งเนี่ยท่านอบเีเองยังแปลกแปลกใจนบีฝัน นบีฝันเสร็จก็มีปราสาทเป็นปราสาทยอยู่ในสวรรค์นบีก็เดินไปกลังเดินไปในสวรรค์นะปรากฏว่าก็ถามว่าปราสาทหลังเนี้ยหรือวังหลังเนี้ยนะก็คือบ้านนี่เลยนะเป็นของใคร เ, เขาบอกเป็นของอุ ม, มัรอยู่ในสวรรค์และในมุมหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากออกมาจากบ้านกำลังดินน้ำอยู่นบีก็รีบเดินออกมาเลย เพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปมองผู้หญิงของอุมอมะจะไม่พอใจนบีเอามาเล่าให้ซอบาฟังอบูบั๊กก็ฟังด้วยอุมาะเนี่ยทําไงรู้ไหมพอฟังแบบเนี้ร้องไห้ร้องไห้กับนบีบอกยารรซูลลอละฉันนะเราจะหึงท่านอ่าเพราะว่าในฝันเนี่ยบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินว่าไปมองผู้หญิงของอุมาะเดี๋ยวอุมะจะไม่พอใจก็เดินออกมาเลยอ่าคือจริงๆท่านคือ <laughs> ท, ท่านอุมะเป็นคนดุนะเป็นคนดุซึ่งมีหะดิษบอกเอาไว้ว่า ใช่ตอนถ้าเดินสวนทางกันแหะก็เจอองค์วัดแล้วไปอีกทางนึงนะกลัวคนอะไรขีม่ม้าเท้าลากพื้นเน่ยตัวใหญ่ขนาดไหนไหล่กว้างตัวใหญ่นะและนบีพูดเอาไว้นะเป็นฮะดิษนบีบอกว่าถ้ามีอรอซูลหลังจากฉันอีกคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นเป็นอุม์วัดถ้ามีนะแต่ไม่มีไงเพราะนาบีอรอซูลท่านนาบีเป็นตอนรอซูลท่านสุดท้ายก็เล่าให้ีน้องฟังว่าตรงนี้เป็นความเด็ดขาดของท่านองคัดเพราะหลังจากท่านองคัดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ป้อมประการของการป ก, ปกป้องฟิตนะก็พังทลายลงหลังจากนั้นอิสลามก็ระสำมระสายเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนหมดเลยนะยุคตต่ทานอุสมานเป็นต้นมาก็เริ่มมีกองทัพเริ่มมีรบกันเองบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะ ว่า أَنَّا นก ت َ ب หน้ ا عليهم أن قتلو أن أنفسكم รู้จุดมีดีอาริคุมไม่ فعل ุห์อิลล่ากาลิม ولو เ ن ه م فعلوا ما ي าลูมายูอาซูน ي บฮีแลยรนลมายนยรลม แล ك َ ا ن َ خير แล้วมูและชัَตัดบิ ت َแล้วการ خير แล้วมูและชัดตับิด ว่าอَฎละอาตายนะฮุมิลลาด ا أ َ ج ْ ر ร ا عَظِيمًا เจรอนอาซีมาว่าลาเดย์นั้นศิรตมุตตะคีมา ว่าไม ل ยุ ه ิَินแลَ้ س ُ و ل َ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أ َ ن ْ عليهم َِْ وَمَنْ يُطَيْعِ اللَّهَ ر ُสุ ف ละฟาุละَิกะَัลลัดีนาอัลอามะลลาหู عليهمال ذ ي ن َ ن อัลอามะลลา ه ُ عليهم มินะ ن บีอ ن น่าอันงาม Allah i ل ي ه م من ا ل ن ب ّ ي ي والصدّقين والشهداء و ا ل ص ا ل ح ي ว่าสุนัขเหลَ่นั้นَะร่วมฝีกับนั้นนั่นคืْความผิดขอَอัล ว่ ف กับฟ้าบิลลาฮีอาลีมาว่ากับฟ้อาอะที่66นะครับอัลลอฮ์บอกว่าว่าเราอันนากาตาบนาลฮิม และแม้ว่าเราได้กําหนดแก่พวกเขาว่า mm hmm. อา น, นิกรตูลูอันฟูสากุมพวกเจ้าจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองนะ mm hmm. อาวิกรูจูมินเดียริกุมมาฟอาลูฮุอิลลากลีลุ ม, มินหุมหากแม้ว่าเราได้กําหนดแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองหรือจงออกไปจากหมู่บ้านนะของพวกเจ้าเป็นไงครับมาฟ้าลูฮูอิลลากอลีลมมินหุมนะพวกเขาก็จะไม่ยอมทําตามกำหนดนั้นนอกจากจะมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในหมู่พวกเขาที่ทําตามตรงนี้ เป็นการบง่งนะบ่งชี้บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าปกติของมนุษย์มนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยมักจะชอบดื้อดึงต่อรออยู่แล้ว <c oughs> คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนสัญชาติญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าถ้าไม่คนที่ไม่มีศาสนาครอบคลุมเอาไว้เนี่ยหรืออยู่ในกรอบเอาไว้เนี่ยมักจะฝ่าฝืนอลัลลอฮฺ คือลองไปดูสิคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยแล้วจะทำเหมือนมุสลิมเราเนี่ยมันน้อยอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ต่อให้คนเป็นขอโทษนะต่อให้คุณเป็นคนที่มีคุณธรรมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ชอบฝ่าฝืนอยู่ดีแหละ <c oughs> มันเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นนับสูของมนุษย์ <c oughs> นะที่มันชอบอัมมารอบิสูอัมมารอบิซุหมายถึงว่ามันจะเอียงไปถึงอารมณ์ไฟต่ำอยูย่แล้วเราจึงบอกธาตแท้ของมนุษย์ว่า ส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยมักจะดื้อถึงจึงไม่แปลกว่าในสังคมเราเนี่ยถ้ามันมีคนดื้อมากกว่าคนที่ต่ออัจเชือฟังก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะเป็นเรื่องปกติแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เป็นแบบนี้แต่รถยนต์สมัยก็เป็นแบบนี้สมัยนาบีนัวยิงหนักขอบใหญ่เลยเหลือไม่กี่คนเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกดังนั้นตรงนี้เนี่ยอ้า ย, ยานี้บอกว่าอัลลอฮ์ทรงบอกว่าพวกคนส่วนใหญ่นั้นหากถูกใช้ให้กระทําสิ่งที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ท, ท, ทั้งๆที่พวกเขาก็ทําอยู่พวกเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามสมมุติสมมุตินะพวกเขากินเหล้ากันอยู่อลลอชัยให้กินเหล้าไอพวกนี้เลิกกินเหล้าเลย <c oughs> ม, มันจะทําอะไรเขาเรียกว่าชาวสวนรู้จักชาวสวนไหมทําสวนทางกับที่ศาสนาบอกแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาทํากันอยู่แล้วพออลอสั่งมันจะทําอีกแบบนึงไ อ, อพวกเนี้นะเนื่องจากที่เป็นแบบเนี้ยในหนังสือเขาใช้นะขอมาอ้จริงกํามลลสันดาน คือยากในการที่มันจะเปลี่ยนได้กำมูลสันดาลเนี่ย อ, อัลลอฮ์ใช้เป็นคําบราณหน่อยนะก็คือขุดแล้วขุดอีกยังขุดยากเลยหัวใจมันเป็นยากแล้วพวกเขาก็มีลักษณะชอบฝ่าฝืนคํ า, า, าสั่งทั้งที่อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตามดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์ทร ง, งรู้ดี แม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเอาล่ะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนแบบนี้ก็อลรู้อ่ะพระบรมโพธิ์นั้นรู้ทั้งสิ่งทั้งยังไม่เกิดแล้วก็เกิดนะของเราจะรู้เฉพาะที่มันเกิดแล้วไอ้ที่ยังไม่เกิดไม่รู้หรอกถ้าเกิดแล้วนี่ถึงจะรู้ใช่ไหมดังนั้นพระองค์จึงตัดว่าและแม้นว่าเราได้กําหนดแก่พวกเขาว่าจงฆ่าตัวตัวของพวกเจ้าเองนะพวกนี้ก็ไม่ทํานะครับทั้งทีง่พวกนี้จะฆ่าตัวตายอยู่แล้ว นะซึ่งอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องว่าการฆ่าตัว ต, วตายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับอันนี้อัลลอยกตัวอย่างอ้าวต่อมาหากว่าพวกเขาได้กระทําตามสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแล้วอ่ะตรงไหนว่าเราอันหุมฟาลูมายูอารูนบีฮีละกานาคอยร่อนละหุมว่าอาชดดาตัสบีตาอัลลอฮ์บอกว่า และหากว่าพวกเขาได้กระทาตามสิ่งที่ได้รับคำแนะนำแล้วนะก็คือหากพวกเขาได้กระทาตามที่ได้ถูกใช้และละทิ้งสิ่งที่ห้ามแก่พวกเขาแล้วละก็อัอลลอฮ์บอกต่อว่าและการคอยร่อนและหุมแน่นอนมันย่อมเป็นสิ่งดีแก่ตัวของเขาเองเออ ในการที่เขานั้นไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและกระทและไม่กระทำสิ่งที่ต้องห้ามแล้วรับเอกต่อว่าอาชัดดาตัสบีตาแปลว่าอะไรแปลว่าแน่นอนว่าอัลลอฮ์นั้นจะทำให้สิ่งนั้นมั่นคงยิ่งความดีที่เรากระทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่ามันจะมัน่นคงเอ่ยยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพก่อนพี่น้อง จะ เ, เห็นคนที่เป็นเชฟเขาปิถีปิถันในการรังสรรค์อาหารไหมเราดูโอ้โหมันกว่ามันจะกินได้แต่ละคํำนะมานั่งปรุงทีละคำในของเรานี่กินเป็นจานนะถ้วยหนึ่งกินหมดเลยไอ้นี่ปรุงเป็นคํามันรังสรรค์เหลือเกินโอ้โหหาวัตถุดิบมารีหาโน่นทนํานี่กว่าจะทําได้แต่ละคําเหมือนว่าเขาเนี่ยรักพวกเรา เออเหมือนกันโอ้โหที่เขาทําเนี่ยเขารักพวกเราจังเลยเขาลังสันมาตีไปหาวัตถุดิบอันชันดีให้เรากินมันเหมือนแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือเขาทําเพื่อปากท้องเขานในเละเขาคงไม่ได้ทําให้เรากินฟรีหรอกใช่ไหมก็ต้องแลกสตังไงเอาสตังมาแล้วก็เขาก็จะดังสรรอาหารให้แต่เขาพีธีพิถันจริงแต่ก็ต้องเอาเงินมาให้เขา และถามว่าไอ้เงินเขาเนี่ยเอาไปให้ใครก็เอาไปให้คนในครอบครัวเขาให้ตัวเขาในการกินอยู่ใช้นั่นแหละกําลังจะบอกว่าไอ้ที่เราละหมาด ก, กันทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ได้นะคนที่ได้คือไอ้เราที่ทํานี่แหละเหมือนกับเราเวลาออกไปทําอาหารให้คนอื่นกินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโอ้โหรักคนอื่นเหลือเกินไม่ใช่หรอที่ผ่านที่ทําตรงนี้ก็เพื่อที่จะหวังเงินมาใช้ในครอบครัวนั่นแหละแต่ส่วนหนึ่งก็แน่นอนว่าเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดี นะตรงนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนคนหนึ่งที่อะไรที่เขาบิถีบิถันในการทำอามันอิบารด้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกลับมาสู่ตัวเองนั่นแหละนะมันก็เป็นผลดีกลับมา ก, บกับตัวเองทั้งหมดนั่นแหละนะครับเอาต่อมาวะอีดัลลาตายนาฮุมมิลลดุนนาอัจจรอนอาลซีมา อลัลลอฮ์บอกว่าเลทเช่นเลทถ้าเช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะให้พวกเขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวงจากเรานี่เองตรงนี้ก็หมายถึงอะไรรางวัลที่ยิ่งใหญ่พี่ดองทราบไหมรางวัลที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จะให้เลยสวรรค์ไงเออรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อลัลลอฮ์จะให้ก็คือสวรรค์นะครับดังนั้นการหวังนะ หวังในการได้รับการอาภัยโทษนะแล้วก็นึกถึงบ้านปลายชีวิตก็คือสวรรค์ที่อัลลอฮ์นั้นได้เตรียมเอาไว้ก็ไม่แปลกอะไรเวลาสอบา้านนบีจำได้ไหมผมสอนไปแล้วสงครามอูฮุดไอ้สงครามบาดัดถามยารอสุร ล, ล, ละไอการออกไปรบไปสู้เนี่ยแล้วตายเนี่ยได้อะไรน บ, บีบอกได้สวรรค์โยนผลัมทิ้งเลยกำลังเคียเค้ยวอยู่อพอละในดุนยาโยนทิ้งเลยไม่กินแล้วเสียเวลากิน แปลสวรรค์ข้างหน้านี่กว่าวิ่งสู้เข้าไปเลยซอ บ, าาบ้านอบีและก็เสียชีวิตอับดุลเีบอกสวรรค์สู้เลยทิ้งแหละไอ้ที่กินเนี่ยมันจะหวานขนาดไหนก็มันสู้ในสวรรค์ไม่ได้เห็นไหมเออนั้นรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เนี่ยก็ไม่จะเป็นรางวัลของพวกเราทนะี่น่ะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราทํานะเป็นรางวัลมาขอโทษดิไม่ใช่รางวัลที่เราเป็นคนให้ตัวเองแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้เออเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้ บางคนบอกรางวัลให้กับตัวเองก็ซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรไใช่หม <g ül> แต่ตัวเนี้ยอลัลลอ์บอกว่ารางวัลเนี้ยมันมาจากที่ที่เรานี่เองนะก็คือสิ่งที่อลัลลอ์นั้นได้เตรียมไว้ให้จากผลงานที่เราทำการอิบาด้าต่อ อ, อัลลอ์เราเชื่อฟังเราปฏิบัติตามเนี่ยเอาอัลลอฮ์บอกต่อ <g ül> วะละฮะดนาฮุมซีรอตอมุสตาคีมาและแน่นอนเราได้ชี้ นำให้แก่พวกเขาซึ่งหนทางกันเที่ยงตรงเที่ยงตรงของตัวทีมมีเที่ยงตรงคำถามว่าอัลลอฮ์บอกเราไหมถึงวิธีการปฏิบัติเชื่อฟังบอกหมดเลยและข้อห้ามละ่ะก็บอกหมดเลยนะอัลลอฮ์ชี้ทางหมดแล้วนะเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนกับเราขับรถตาม g p s เลยอย่าลอกอย่าออกนอกทางแล้วกันเดี๋ยวมันลงคลองก็ขับตามไปยังไม่รู้เลยข้างหน้าเนี่ยใช่หรือเปล่าไปดู แต่ว่ามันมันล e <else>, so ็อกเป้าแล้วไงว่าเป็นตรงนี้แหละเรายังไม่เคยไปด้วยทีนั้นเน่ะแปลกไหมสมัยก่อนเวลาจะไปไหนตอนไหนเนี่ยเราต้องมีคนเคยไปถูกป่ะไรเคนเขาขับรถไปเราถึงจะไปได้นะเดี๋ยวเนี้ยที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ไปถูกเฉยเลยแล้วก็ไอ้คนที่นั่งรถก็ไม่รู้ไม่รู้จักสักคนหนึ่งแต่เราไปตามไอ้ไอ้ตัว G P S มันนําไปเออเหมือนกันสวรรค์เราก็ไม่เคยเห็นนะเป็นยังไงแต่เราบอกไว้แล้วอ่ะทําตามแบบนี้สิ ทำแบบนี้หนึ่งสองสามสีย่าทำอย่าฝ่าฝืนเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแหละนะไว้ใจได้ไอ้จีเพย์ยังไว้ใจไม่ได้นำทีพาเราหลงแต่ น, นี้แน่นอนว่าคำสั่งศาสนาเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีทางหลงทางแน่นอนเอาต่อมาอัลล์บอกต่อว่าอันนี้วรรนี้สำคัญนะว่าไมยุต่อลลาฮะวรอศูนผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอ์แล้วรอซูลแล้วแล้วไซนะ บอกว่าไงฟ้าอุลัยอิกามันแลดีชนเหล่านี้แหละที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาพวกเขาอันอัมแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ทรงกรุณาปราณีนะอันอัมอันอามัลลอฮฺอะัยฮิมจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขามีนันนบียินได้แก่บรรดานบีนะ วสิ ด, ดีกรีนสิ ด, ดีกรีนแปลว่าอะไรคนที่เชื่อแบบดุษดีดุษณีเขาบอกเนี่ยคือเชื่อแบบไม่มีอะไรมาข้อขัดอะไรไม่มีข้ออะไรมาขัดแย้งตัวเองเลยสิ ด, ดีกรีนจําได้ไหมฉายาใครสิดส ด, ดีกฉายาท่านอบูบักเนี่ยสิดีกสิดีกรีนพออบูบักวันที่อิสราอลเมีอรอด ม, มีคนมาเล่าบอกสหายของท่านเพี้ยนแล้ว บอกว่าเดินทางไปเมืองไปมัสิดอักซอไปคืนเดียวไม่ถึงคืนนี่ครึ่งคืนด้วยเพราะว่าอีกครึ่งคืนไปไหนขึ้นไปบนชั้นฟ้าเพื่อนท่านเพี้ยนไปแล้วในสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใดนะที่จะไปถึงนู่นได้บอกเพื่อนของท่านเพียนไปแล้วเขาบอกว่าต่อให้โมฮัมหมัดเนี่ยพูดอะไรที่เกินกว่าที่ฉันก็เชื่อไม่ต้องมาเล่าให้ฉันฟังหรอกแค่นี้เองดังนั้นได้ฉายาว่าซิดดีเลยซิดดีอัสซิดดี เนียวชัชชูฮดาชูฮดาแปลว่าคนที่เสียชีวิตในการปกป้องศาสนาวัซซาลีฮินบรรดาคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบทั้งหลายว่วาเฮสุนาอูเลอิการอฟกอคนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรอฟีกเป็นคนที่เป็นเพื่อนโดยดีเพราะว่าอะไรเขาจะแนะนําไปสู่ทางที่ดีให้ครบทุกนี้เอาไว้เพื่อนแท้โรฟิกนี่เคยแปลว่าเพื่อนจริงเพื่อนแท้ เพราะเขาจะไม่หวังร้ายกับเราเลยคราวนี้จากคดีบทนี้เนี่ยใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอสูญก็ถือว่าเป็นผู้ได้ดับเกียรตินะที่อัลลอฮ์เมื่อครั้งท่านนบีล้มป่วยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้ส่งเสียงดังและกล่าวว่ามาเลดีนะอันอัมอันอัลลอห์อะไรที่มินันนบียีนก่อนนบีจะเสีย นบีจะได้รับข้อเสนอนะว่าจะเลือกการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือจะกลับไปหาอัลลอฮ์นบีก็เลือกกลับไปหาอัลลอฮ์เสร็จแล้วนบีก็กล่าวขึ้นมาว่ามัลเลดีนะอันอามัลลอห์ไรฮิมแปลว่าจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ส่งเมตตาพวกเขาก็คือบรรดารอซูนที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วนบีจะไปอยู่ด้วยแล้วนะวสซิดดีก uh ีวะชูฮะดาวะสุไลฮินฟาลิมตุอ nah ันนะฮุคอยร แปลว่าฉันจะได้ไปอยู่กับบรรดาหนาบีคนที่เชื่อโดยสุดเชื่ออย่างหมดใจคนที่เสียชีวิตในหนทางของศาสนาและบรรดาคนประพฤติดีดังนั้นดิฉันทราบดีว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด เ, เหตุที่นาบีเลือกไม่อยู่ในดุนยาต่อพ่อเลยเพราะหนาบีรู้แล้วว่าหนบีจะไปอยู่กับใครคนดีทั้งนั้นเลยเนี่ยในดุนยาเราเนี่ยยังปนกันเลนะนะใช่ไหแต่ในสวรรค์เนี่ยเราไปอยู่คนดีหมดแหละ ไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าเราจะไปอยู่ไอ้คนค้างบ้า น, น, น, าานมันเมาทุกวันเลยมันสร้างความเดือดร้อนอันนี้ดุนยา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราตายไปปับ๊บเดี๋ยวเราไปอยู่คนดีไอ้พวกนี้ไม่ตามเราไปหรอกมันอยู่ที่หนึง่งไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่เมาหั ว, หวดาน้าํยอยูอ่ที่นึงไม่ไปตามเราไปหรอกแต่เราไปอยู่คนดีดังนั้นไอ้พวกนี้รังควานได้เฉพาะดุนยาอันนี้เป็นการปลอบใจตัวเองนะเวลาที่ไปซื้อบ้านแล้วมีพกเพื่อนผ่านไม่ดีมากหรือมีเพื่อนที่มันไม่คอยมาตามอะไรนะมาตามยุ่งมันมีคนหนึ่งอันพี่น้องนะนี่เราให้พี่น้องฟังผมทํา ออยู่กับทนายเอผมทำรายการกับทนายมีมุสลิมคนหนึ่งถูกแกล้งจากการที่ถูกฟ้องมันหาเรื่องฟ้องไปหมดอหะมันเข้ามาดูเนี่ยบ้านรั้วทําเกินมันเอาไปฟ้องเรียนเขตคือทุกคนนะ่ยมันมีโอกาสผิดพลาดกันอยู่แล้วตั้งสางขยะออกมาเลยมั่งอะไรเกินมั่งใช่ไหมคือบ้านน้ำเป็นทือ ถ, ถ้าไม่มีใครมาร้องเรียนก็ก็อยู่กันไปไอเนี่ยมันคอยที่จะเล่นงานเพราะมันแค้นปรากฏว่าเมียของเขาเนี่ย ถูกไล่ออกเพราะว่าทาผิดระเบียบเขาไปเข้าใจว่าภรรยาของบางคนเนี่ยเป็นคนอะไรเป็นคนฟ้องให้ถูกไล่แต่จริงภรรยาคอนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่เกี่ยวเลยก็ไปเข้าใจก็เลยจองจองล้างจองผ่านโดยการเรียกร้องทุกอย่างโอ้โหเขาชีวิตเขาเขาเขาอะไรนะคือเขาเป็นทุกข์มากอะต้องไปขึ้นศาลเดี๋ยวก็ต้องมีใบนูน่นใบนี่มาแล้วเวลามันไปแจ้งไปแจ้งนู่นไกลเฉียงรายนี่ ไม่ไปก็ไม่ได้เขาถูกดังควานจากคนคนนี้มากจนกระทั่งเขาคิดอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าใช้สารเตี๋ยไหมไขโปมันเลยไหมโทรมาปรึกษาฉันบอกว่ามึงยีไอวอเนี่แหละเป็นบคนุคคลทดสอบความสวบัตของมึงยีเอ้ยเนี่ยถ้าเอาชนะมันได้นะด้วยความสวบัตนะอัลลอฮ์ใหรางวัลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสุดท้ายมันไม่ตามเราไปในโลก <c oughs> ขอโทษดิมันไม่ตามเราไปในสวรรค์หรอกไอวะเนี่ย มันอยู่แค่นี้แหละมันดังควานได้เฉพาะดุนยาไม่รู้แหละเรากับมันใครตายก่อนแต่มันตายเมื่อไรมันก็ไม่ตามเราเราตายมันก็ไม่มาตามเราแล้วอย่างเงี้ยในยุนยาเนี่ ย, ย, ยก็เขาเรียกว่าทําตามระเบียบไปอันนี้เราพี่น้องฟังนะคือเราเราเราไม่รู้ไปเราสามารถที่จะไปบังคับเข้าได้ไงมันก็หาช่องทางเรียกร้องแต่สุดท้ายมาเจอทนายดีนะครับที่อยู่กับฉันทํายการกับฉันเนี่ยเขาก็ฟ้องกลับมันมั่งตอนนี้มันก็เริ่มกลัวแล้ว เพราะว่ามันมีกฎหมายเหมือนกันว่าถ้าไปเรียกร้องอะไรที่มันผิดไม่ตรงเนี่ยไอ้คนที่ถูกร้องก็คือไอ้คนสามารถฟ้องกลับได้ตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วตอนแรกจะยอมจ่ายตังไปเคลียร์ไปอะไรหมดตังหมดที่ขนาดนั้นเลยสุดท้ายก็เลยบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งก็ใช้มาตรการกฎหมายได้ถ้ามันไม่ได้ขัดกับหลักการศาสนาก็มีปัญหาเนะี่ยเขาก็มาพึ่งทนายนะครับแล้วก็ฟ้องมันมัน่งมันก็เลยเบาๆลงไปแต่ตอนแรกกลัวง่ไม่ไม่กล้าสู้อะไรเลยนะครับอ่ะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟัง เอาต่อมาสาเหตุของการประทานอายะกรานี้บอกว่าไงบอกว่าจะได้อยู่กับคนเหล่านี้ใช่ไหมจรีดได้ไรายงานมาจากซาอุดิจูบัยบอกว่ามีชายชาวอนซ้อยคนหนึ่งได้มาหาท่านรอซูลมาในสภาพที่เขาเนี่ยโศกเศร้าร้องไห้และท่านนาบีจึงกล่าวกับเขาว่าโอ้ชายคนนี้ท่านเป็นอะไรทําไมหน้าตาดูหมองเศร้าจังเลยดูหน้าแบบไม่ได้ไม่สดใสอะ่ะดูหน้าเศร้าๆเขากล่าวว่าโอ้ท่านนาบีขอรับ ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอท่านถามว่ามันคืออะไรเขาก็ตอบว่าเราเนี่ยเดินเวียนมาหลายรอบแล้วเดินวนไปวนมาแล้วก็มาหาท่านนาบีและหันมองหน้าท่านและก็มานั่งอยู่ที่หน้าท่านในวันในวันหน้าในวันหน้าเนี่ยท่านก็จะถูกให้ไปอยู่กับท่านนาบีท่านอื่นๆคือคนคนเนียเดินมาวนหานาบีเดินมามองนบีมองแล้วมองอีก แล้วก็เป็นทุกข์ใจทําไมเป็นทุกข์ใจพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งที่ท่านนาบีจากโลกนี้ไปเนี่ยนบีก็ต้องไปอยู่กับใครไปอยู่กับบรรดาอานบีด้วยกันถูกไหมเราก็จะไปหาท่านไม่ได้และไม่สามารถจะไปเห็นหน้าท่านได้ในสวรรค์เพราะอยู่คนละชั้นเนี่ยเพราะนาบีอยู่ชั้นสูงสุดอะไอเราอยู่คนละชั้น เราจะไม่สามารถไปเห็นท่านนบีได้อีกแล้วในวันที่เราเข้าสวรรค์ไอตอนดุนยาเนี่ยได้เห็นนบีเพราะเขามีชีวิตอยู่กับนบีเขามีความสุขแต่พวกเราไม่ได้เห็นนบีนะแต่เขาได้เห็นนบีตอนนบีมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกต่อว่าเราได้พูดคุยกับนบีตอนดุนยานเนี่ยแต่พอเวลาอาคีรอนบีไปอยู่กับอีชั้นหนึ่งแล้วไปอยู่กับบรรดานบีชั้นก็ไม่ได้คุยกับนบีเลยฉันเลยเป็นทุกข์ใจเหลือเกินเอาล้อดูสิเป็นความทุกข์ที่อยากจะเจออันบี ยิบรีนนะอยากใกล้ชินนบียิบรีนเพราะในดุนยาอยู่ได้เจอแล้วไงเพราะเรายังไม่เคยเจอนบียิบบรีนจึงนําอายะนี้ลงมาว่าผู้ใ ด, ดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลชนเหล่านี้จะได้อยู่กับบรรดาพูดที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาเขาได้แก่กับบรรดานาบีนี่ไงอายะนี้แหละพอประธานลงมาคนคนนี้สบายใจเลยทําไม่ะเพราะถ้าทําความดีไม่ต้องถึงขั้นนะเป็นนบีรอกหรือเก็บสุนนะทุกอย่างขอให้เรานั้นทําเชื่อฟังนบีให้เต็มที่ เรามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ร่วมกับ น, นบีอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์เชื่อมั่นให้เต็มที่เชื่อมั่นให้เต็มที่แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปอยู่กับคนดีนะอา้าวต่อมามีอีกมีรายงานหนึ่งนะครับจากคดิสมัรฟัวมีรายงานจากบูบักอิมนุมราร์ดะไวจากท่านหญิงไอชามีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนาบีสุลต่ลลลานลามได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลแท้จริงท่านนั้นเป็นที่รักแก่ฉันและครอบครัวของฉันฉันรักท่านมากกว่าลูกของฉันเสียอีก ผิดไหมเนี่ยพี่น้องรักรักนบีมากกว่าลูกไม่ผิดนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอะกีดาแบบนี้นะขณะที่ฉันอยู่ในบ้านฉันคิดถึงท่านแทบจะทนไม่ไหวมองหน้าลูกเลยยังไม่คิดถึงเท่ากับคิดถึงนบีเลยโอ้โหดูคนสมัยก่อนขอเข า, เ ค, าความที่เขารักนบีอะนะเออมองหน้าลูกยังยังยังไม่เท่ายังยังไม่ทําให้ความคิดถึงของฉันเนี่ยที่มีต่อ น, นบีเนี่ยมันจางลงเลยอ๋อ ฉันจึงมาหานาบีมาดูหน้าท่านนะและเมื่อฉันนึกถึงว่าท่านนาบีเสียเนี่ยและท่านได้ตายไปฉันก็คงจ ะ, ะฉันก็ทราบว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนท่านต้องไปอยู่กับบรรดานาบีทั้งหลายและฉันก็ได้เข้าถ้าฉันได้เข้าสวรรค์ฉันก็กลัวว่าจะไม่พบท่านในสวรรค์ท่านนาบีได้ฟังท่านนาบีก็เงียบสักพักหนึ่งอยายกุรานนี้ก็ถูกประทานลงมาอ่นะอ่ะ อะติสมีเพียบเลยนะเรื่องนี้เอาต่อมาอีอันหนึ่งใครรอเบียอิบนูกาบอันอัสลามีเขาได้บอกว่าฉันเนี่ยได้ไปนอนกับท่านนาบีแล้วก็ฉันก็คอยเตรียมน้ําให้แก่นบีให้นบีอาบน้ําละหมาดเป็นคนเตรียมน้ําละหมาดให้แกนบีเตรียมน้ําให้นบีอาบน้ำละหมาดสิ่งที่จําเป็นต่างๆมาให้นบีและนบีก็บอกว่าเธอจงขอเถิดนบีบอกว่าขอ ขอขอใ ห, ให้ขออะไรก็ขออ่าเขาก็บอกว่าฉันอโอ้ท่านเราซูนของอัลลอฮ์ฉันขออยู่ใกล้กับท่านในสวรรค์ได้ไหมเขอขอฉลาดนะเออขอให้อยู่ใกล้กับนบีในสวรรค์ได้ไหมโมรอกอบะฟินจันนะท่านก็ตอบถา้ถานท่านถามว่ามีอย่างอื่นยังไหมเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วที่สุดแล้วคือการได้อยู่กับนบีในสวรรค์เนี่ยฉันขอ แค่นี้พอมันไม่ใช่แคนี้เราเป็นที่สุดนั่นแหละขออยู่กับนบีในสวรรค์ดังนั้นนบีจึงบอกว่าเธอจงช่วยให้ฉันนั้นด้วยการที่เธอให้ช่วยฉันหมายว่าให้ช่วยฉันเนี่ยฉันจะขอดูอากระขอดูอาตอ่อลรอให้ช่วยท่านได้อยู่กับฉันแต่มีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องสุยุต่ตอลรอให้มากๆเพราะการสุยูตุตอ่อลรอให้มากคือการที่แสดงถึงการใกล้ชิดตอ่อรอมากที่สุดเมื่อใกล้ชิดอัลลอฮ์มาก เท่าใดก็เท่ากับจะได้ใกล้ชิดนบีมากเท่านั้นวิธีการใกล้ชิดนบีคือใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้มากทำยังไงอ่ะสุญญากาศอัลลอฮ์เยอะๆนะครับละหมาดเยอะๆพูดง่ายละหมาดเยอะๆขยันละหมาดนะทั้งละอันนี้ละหมาดสุนัตนะฟัดูต้องครบอยู่แล้วอิหม่ามอามัดได้รายงานจากอามินุมุธรออีกนิดนึงนะครับจบละบอกว่าท่านรอซูนสุลตล่ลานละฮวาลัยฮุสันลัมนั้นได้ขอนะฉันขอปฏิญาณตน นะครับก็บอกต่อนะบอกว่าท่านเป็นศาสนาทูตของลอฉันได้ละหมาดห้าเวลาจ่ายสะการนะถือสินอดในเดือนมกอนแล้วท่านก็กล่าวว่ามันมาตาเลยฮาซามันนาบีใครที่ตายในสภาพเช่นนี้ใครอ่ะเช่นสภาพเลยนะหนึ่งปฏิญาณตนใช่ไหมละหมาดายสะการถือสินอดในเดือนมกอนพูดยังไงว่าทําอามานีบาร์ดังอย่า ง, รา am างครบอะนะในฟัดดูทั้งหมดเนี่ยใครที่เสียชีวิตเขาจะได้อยู่กับบรรดานาบี คนที่ซิดดีกีนคนที่ชัวร์ะดะในวันกิยามะนะมะลามยาอุกกะวาลวาลีได้ตราบใดมีเงื่อนไขหนึ่งนะคนละหมาดก็จริงนะพี่น้องคนที่ถือสิญจน์ก็จริงตราบใดที่คนที่ไม่ในระคุณพ่อแม่นบีกันนะต่อให้คุณละหมาดดีขอโทษนะคุณละหมาดดีคุณถือสิญจน์ ด, ดีแต่ทําให้ยอทําให้มะเสียใจในรคุณพ่อแม่ตัดออกไปเลยไม่ได้ ห้ามเนรคุณย่อเนรคุณมะเด็ดขาดประตูบานใหญ่ที่สุดแล้วประตูเนี่ยเพราะว่าอินโนบานบอกว่าไม่มีความดีไหนจะจะยิ่งใหญ่เท่ากับการทําดีกับยอกับมะเนี่ยความดีกับแม่เนี่ยนะนะดังนั้นละหมาดดีจริงครับอัำดีละ ส, อ, สอดดีใจสจากาดัดดีแต่มะป่ากุ้มใจทุกวันเลยปวดหัวทุกวันนะเออหรือทําให้พ่อแม่เสียใจอันนี้จะไม่ได้อยู่กันอบีนะตอนนี้ต้องระวังนะ โทษของการเนรคุณพ่อแม่จะไม่ได้อยู่กับ น, นบีในสวรรค์ด้วยนะครับอ่ะก็จบตรงนี้นะครับในดูอายไสุดท้ายนะอลัลลอฮ์บอกว่าไง<ม> The Lighfast l u um นัล a l l o นี่คือความกรุณาที่มาจากอัลลอฮ์นี่คือความกรุณาที่มาจากอ AH. ัลลอฮ์อัลฮัมด AH. ุลิลละอัลลอฮ์บอกแล้วนะเราจะได้อยู่กับ น, นบีถ้าเราเป็นคนที่ที่เชื่อฟังนบีนะครับปฏิบัติตามต่างๆเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นวะกะฟาบินละ และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อ่ะอายะนี้นะครับเป็นอายะที่ให้กําลังใจซอบะานซอบ้านเนี่ยเจอนาบีแล้วแล้วเขาก็อยากเจอนบีอีกรอบหนึ่งในสวรรค์พราะเราไม่เคยเจอหนาบีเพราะนาบีเสียชีวิตไปก่อนเราเราก็มีโอกาสเจอนาบีครั้งในสวรรค์โดยการที่อายะกรานี้ได้มาให้กำลังใจนะนี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะครับอ่ะต่อนะ ยาเอเยห์เหล่าที่น่าอัมนำขุดหุดหิษราคุมฟันฟิรุสุเบติน จะวิ in, ่งฟิรูจามีอาจะวิ่งฟิรูอุมลลยบ ทีอันน่าฟังเอาซาบัดคุมมูซีบาละมาลาหยุบตีอันน่าฟังเอาซาบัดคุมมูซี a َ l a h قد أنعم الله علي إذ لم أقم َ معهم ُ شهيدا و َ ولا ل แ ا إ ว ن ْลَอฮฺประทานบทประพัِธ์ให้กับข้ และกุลัَน์َัَอั لَمْ ت َ ك ُْุ بينهم و بينهم ما وده วَาไบน์หูมาวดตะวียาเลตานิคุณตัวมาห ه ُุมว่าไบน์ُูมาวดตะวียาเลตานิคุณตัวมาห์หุมฟาฟู อาฟ ا าวซันอาซีมะฟั ف ย ي คอติลฟีซา ل ิลละ ที่น่าจะรู้น์น์ชีวิตดุ ا ยาไป خ ี่รอที่น่าจ ي รู้น ا, آ ل ์ชดุยไป่อว่่คุ้มตบล ยุกเตฟยกขอตวทีฟยุกเตลอวยรีบฟติฮอารอม มาดูความหมายนะครับยาอายุหัลลารีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายคูรูตรงนี้แปลว่าให้ยึดเอาจงยึดเอาเฮซรเฮซโรเนี่ยก็คือตันบีเคยเคยเห็นไหมเวลาพวกรถที่กำลังทุกน้ำมันเฮซรปแปลว่าให้ระวังอันตรายวัตถุไวไฟอันตรายนะเมื่อกี้ดูข่าว ท ด, ทดลองไอ้ถังอะไรระเบิดใส่เด็กนักเรียนต้องระวังนะ เ, เห็นรถใหญ่ใหญ่เห็นอะไรเนี่ยนะหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พูดถึงให้ระมัดระวังอิสลามกับการระมัดระวังเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องเขาเรียกว่าปกติของมนุษย์อะไรเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ต้องระมัดระวังเนาะ โอบรรดาสัทธาทั้งหลายจงยึดเอาความระมัดระวังของพวกเจ้าไว้ก่อนอให้ยึดเอาความระมัดระวังของพวกเจ้าไว้ก่อนฟันฟีรูซูบาตินและจงออกไปเป็นกลุ่มๆหรืออวินฟีรูจะมีอาหรือออกไปกลุ่มเดียวกันเลยตรงนี้เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้น มีคำสั่งให้ระ ม, มัดระวังจากศัตรูอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละทรงใช้ให้บ่าวของโมลุงผู้ศรัทธาให้ระ ม, มัดระวังศัตรูของพวกเขาคือให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการจัดเตรียมยุโทโภปกรณ์อาวุธยุทธโภปกรณ์และจํานวนคนให้พร้อมอยู่เสมอในหนทางของ الله. อัลลอฮ์ดังนั้นใ น, ในการฝึกฝนในสมัยท่านรอซูล จะเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการทําสงครามเช่นการขีม่ม้าเจ๊ะไหมอ่าคือขี่ม้าทุกวันนี้ก็เป็นซุนนาเนลเละแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามแล้วเดี๋ยวนี้ใครเขาขี่ม้าไปสู้กันละ่ะ <laughs> เดี๋ยวนี้เขขี่รถถังเจ๊ไหมขี่รถบุเกาะแต่ถามว่าขี่ม้าได้ไหมได้มีปัญหาแต่สมัยก่อนมันมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของกองทัพด้วยก็ฝึกขี่ม้ากันนะหรือยิงธนู ยิงธนูนี่เกี่ยวกับกองทัพไหมเกี่ยวสิมกรไงพลธนูใช่ไหมปัจจุบันนี้มันถ้าเป็นกองทัพมันก็ต้องเป็นเ ป, นปืนเลีว้ว เ, เพราะว่าธนูเดี๋ยวนี้มันก็บันพัฒนาขึ้นไปอันนี้พูดถึงว่ากีฬาในสมัยก่อนที่ฝึกฝนกันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสงครามในสมัยนั้นแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนยิงธนูไม่ใช่ซุนนะซุนนะครับอ่ามีปัญหาขี่ม้าก็ใช่นะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรียกมวยปั้มอ่ามวยปั้มด้วยลูกานนะลูการนะกกรนะอ่าดันดันกันขเขาได้ประลองอ่าแต่บางคนพี่น้องภูมมีมาทั้งหลายบอกว่าเนี่ยเขาก็ฝึกเอาไว้เช่นฝึกฝึกมวยอันนี้ไม่เป็นไรแต่เอามวยมาเป็นอาชีพอันนี้ไม่ได้นะเออไปเดี๋ยวดูได้ไหมต่อยกันทีเลือดแตกอะไรเย่างเงี้ยไม่ใช่หลักการศาสนาห้ามนะแบบนี้เป็นการทำา้าย ถ้าป้องกันตัวได้แต่ถ้าเอาเป็นอาชีพไปทำร้ายคู่ต่อสู้คู่แข่งไม่ได้บาปแต่สมัยก่อนเยอะนักวยมุสลิมเราสมัยนี้ก็มีเออแต่ไม่ค่อยบอกกันไม่ค่อยเตือนกันเอาต่อมาให้เตรียมคำว่าสูบาตินแปลว่าเป็นกลุ่มๆเป็นกองหรือเป็นกองทัพก็ได้คือเวลาออกไปลาดตะเวนอย่าไปคนเดียวต้องไปเป็นะรเป็นกลุ่มเป็นกอง หรือออกไปทั้งหมดเลยถ้าไปทั้งหมดก็เป็นกองทัพเลยครับยกไปหมดเลยนะตบรอนีบอกว่าคำว่าฟันฟีรูสูบาตินแปลว่าเป็นกลุ่มๆเป้าหมายคือคื อ, คอกองทัพที่กระจัดกระจายออกไปหมายถึงให้ทุกคนออกไปพร้อมเพียงพร้อมกันอ่าเอาต่อมา ว่าอินนามินกุ้มและมัลและอยู่บัติอันนแท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้ที่ชักช้าอยู่แล้วอยู่บัพติอันนาในหมู่คนที่ออกไปทำสงครามจะมีพวกชักช้านะอยู่คือมันก็เตะทวงกันเลย <c oughs> คือไม่อยากออ ก, อากหากมีเหตุร้ายใดประสบแก่เจ้าอ่า อินอซอบัดกุมมูซีบะหากมีเหตุร้ายประสบแก่เจ้าเขาก็จะกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์กรุณาแก่ฉันกรุณา ah, แต่ฉันยังไงอิสลัมอากุมมาอาหุมชะฮิดาที่ทําให้ฉันนั้นไม่ต้องไปเจอเหตุเคราะไรไอ้ที่พมุนาฟิกแนไอ้ที่ไม่ออกไปอ่ะตอนสงครามอุฮุดจาได้ไหมอูบายอับดุลรอดบินอุบายบิสซูลเนี่ยถ้าอยู่กับฉันในเมืองก็รอดแลยไม่ต้องถูกฆ่าตายแหมมันว่ากั้น นะวะละอินอัซอบาคุมฟัดลุน <c oughs> และถ้าหากมีความกรุดนาใดๆจากอัลลอฮ์ได้ประสบแก่เจ้าแล้วแน่นอนวนะลนะอินอัซอบาคุมฟัดลุมมินาลลอและยากรันนะ่าและแน่นอนว่าพวกเขาก็จะกล่าวประหนึ่งว่าไม่เคยมีความชอบใดๆเกิดขึ้นเลย อะไรที่เป็นเรื่องดีก็ไม่ชื่นชมด้วยทำเป็นมองไม่เห็น <c oughs> แต่ถ้าอะไรไม่ดีเนี่ยพร้อมซ้า <c oughs> นี่พูนาฟิกการลมตะกุมไบนะฮุมบาไบนะฮูมาวัดดนานะก็บอกต่อว่าอเลาะบอกต่อว่าพวกเขาก็จะกล่าวปนหนึ่งว่าไม่เคยมีความชอบใดๆมาวัดดาแปลว่าความชอบความรักความชอบใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้ากับพวกเขา แล้วก็บอกต่อว่ายาไลตาณีกุ้นโอหวังว่าฉันนั้นจะได้อยู่ร่วมกับพวกเขาและก็ได้รับชัยชนะฟาอาซาฟาูซันอาซีมาไม่ชื่นชมแต่ก็จะบอกว่าหวังว่าคราวหน้าฉันจะได้ออกไปบ้างนะแต่ครั้งนี้มันไม่ออกออกไปก่อน คือมันมีสองแบบแบบแรกก็คือออกไปแล้วแพ้แพ้มันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยพระเจ้าเมตตาฉันไม่ให้ไปอยู่ร่วมกับท่านเพราะผู้ท่านถูกฆ่าตายแต่พอโ ก, กดมา ก, กดเ ก, กดิดได้รับชัยชนะมันก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ชื่นชมเลยแต่หวังว่าเขาวน้ฉันจะได้ไปอยู่กับท่านด้วยนะเ้าเรียกว่าเค็มความดีความดีเนี่ยเอาใส่ตัวเลยแต่ถ้าไม่ดีก็ผักออกไปเฟอยููกอตินฟีซบิลลาอ่าเอาแล้บอกจงสู้รบในหนทางของอดเถิด Bil a is, it, í, l a <c oughs> h, n í, ah, h i ni, ah, h is, h ol, ok ah n a ยาชูนัล ح ي ا ุ الدنيا บิลอาคีรอบรรดาผู้ที่อุทิศชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ด้วยกับโลกหน้าเขาไม่สนใจละความเป็นอยู่ในโลกนี้จะสุขสบายขนาดไหนจะเพียบพร้อมขนาดไหนเขาอุทิศในหนทางขอรับก็คือพร้อมที่จะเสียสละนะคือ คนที่ออกไปรบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องไม่มีอะไรจะกินแนละไม่ใช่นะเมื่อคนเนี่ยกัมีฐานะถามว่าเขาไม่ได้ออกไปรบเขาก็มีกินมีอะไรมีใช้อยู่ใ น, นเละแต่เขาเสียสละแล้วไงนะเสียสละความเป็นอยู่ในโลกนี้แหละว่าไม่อยู่กอติลฟีซาบีดินละผู้ใดที่สู้รบในหนทางของอัลลอฮฺฝันยู่กอดเตลและถูกฆ่าและก็ถูกฆ่าตาย หรือยุลิปหรือได้รับชัยชนะอัลลอ์บอกว่าฟาซาวฟนุตีฮีอัจารอนอัลจีมาเราได้ให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขาทั้งหมดเลยแปลว่าไม่ได้ไหมายว่าต้องตายเท่านั้นนะถึงจะได้คนที่ออกไปรบและไม่ตายได้รางวัลั้มได้ได้ความดีทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเหมือนกันแต่ชะฮีเนี่ยอัลลอ์ยังไม่ได้ไม่ได้อไนะไม่ได้กำหนดให้แกเขา ส่วนหนึ่งจะเครื่องหมายของคนที่กลับกรอก mm hmm. ก็คือไม่ออกไปสู้รบในหนทางขอเลาะโมุกตินได้บอกว่าและอยู่บัตติอันนามีความหมายว่าทําให้ล่าช้าจนไม่ได้ออกไป อ, อ้างนู่นอ้างนี่คือจริงไม่อยากออกเลยกระเตทวงไปเลยและอาจตีความหมายได้ว่าทําให้ตัวเองล่าช้าหรือทําให้คนอื่นล่าช้าไปด้วย ดังที่อับดุลละบินอุบายบินซาลูลได้แกล้งทําให้ล่าช้าและพูดหวานล้อมคนที่ทําให้ล่าช้าจนกระทั่งมีมีคนที่เห็นด้วยกับเขาแล้วก็ไม่ออกไปสามร้อยกว่าคนน่ยตอนนั้นน่ยนี่คือทัศนะของอิมหนูจุรอยและอิมนุจารีได้กล่าวไว้นะเออพ่อพบุนาฟิกก็จะกล่าวว่าเมื่อไม่ได้มีเมื่อไม่ได้ออกไปในสงครามและหากเกิดเหตุร้ายใดๆเขาก็ได้สบายไปแล้ว ไ, ไม่ต้องไปรับ หรือถ้ามีได้รับความโปรดปานเขาก็จะขอให้ได้รับมีส่วนร่วมไปด้วยนี่คือพวกมูนาฟิกใช่ถูกต้องสบายได้รับด้วยส่งเสริมให้ออกไปในต่อในในการต่อสู้ในหนทางของลอเพื่อจะปกป้องศาสนาของลอและชีวิตของมุสลิมคันนี้การจิฮาดเนี่ยพี่น้องครับนิดนึงนะมันมีด้วยกันสองประเภทค้าเรียกว่าจิฮัดดาฟกับตอลับ อดัฟววัดวัดวัดต้นวัดต้ลับต้นลับนี่หมายถึงว่าการออกไปแสวงหาดัฟแปลว่าการป้องกันคือสมมุตินะ เ, เ, เราเราอยู่สมมุติเมืองไทยเรามีศัตรูมาเราเป็นสมมติเราอยู่ในเมืองเราแล้วก็มีคนที่คิดร้ายกับอิสลามเราเข้ามาจะมาฆ่าเราในบ้านที่เราอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เนี่ยอันนี้ต้องปกป้อง ทุกคนนั่นแหละอะมีครั้งหนึ่งเนี่ยเาานบีถามว่ามีคนมาถามนบีครับถ้ามีคนจะมาเอาซับมาเอาทรับฉันละ่ะทํายังไงนบีบอกให้สู้ให้ปกป้องทรัพย์ของท่านเอาไว้นบีแล้วก็ถามนบีต่อว่าแล้วถ้าเกิดฉันสู้ไปแล้วฉันสู้ไม่ไหวแล้วฉันถูกฆ่าตายละ่ะนบีบอกท่านได้ชสีหีดเออแล้วถ้าเกิดสมมุติฉันเก่งฉันไปแทงไอ้คนที่มันมาป้นเรามาฆ่าเราตายละ่ะ ไอคนถูกแทงตายก็อยู่ในนรกอ่าเดีย๋ยวเราช่วยอทาสีป่ะอ๋อ <c oughs> น้ำซึมอ๋อโอเคจ้ะอ่ะเดี๋ยวฟังทางฉันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปช่วยตรง <c oughs> <c oughs> นั้นเจะจบละนะเอ่อพอดีเวลาอ่ะนบีบอกว่าให้ปกป้องถ้าปกป้องได้ให้ปกป้องแต่ถ้าปกป้องไม่ได้ก็อีเรื่องนึง อาจจะยอมก็ไม่ผิดอะไรนะมันมาป้นเรามันถือมีดจ่อเราก็เออว่าไปแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่พอมีสู้ได้มันมาตัวเปล่ามันจะต่อยเรามันจะทำร้ายเราเราก็มีมือมีไม้มีมือเหมือนกันเราก็สู้กับมันถ้าเกิดสู้ไปสู้มามันฆ่าเราตายเราก็ได้เฉีดไปได้บุญได้ตายเฉีดแต่ถ้าเราแทงมันตายมันอยู่ในนรกเพราะมันเป็นคนที่จะมาป้นเราเนี่ยดังนั้น การต่อสู้มีสองแบบถ้ามีภัยมาถึงตัวอันนี้หน้าที่ของเราต้องต่อสู้แต่ถ้ามีคนเข้าประกาศเรียกร้องให้ออกสงครามอันนี้ต้องดูเงื่อนไขยเยอะเลยพี่น้องหนึงเรามีคนใต้การดูแลของเราไหมมีมะที่เจ็บป่วยหมพ่ออับดุลบีบอกว่าถ้าใครจะออกเนี่ยมีแม่ไปดูแลแม่นุ่นอันที่สองมีคําสั่งจากคอลิฟ้าจะผู้นํำไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นไอเวลาที่เขาประกาศรวมพลกันเนี่ยจึงไม่แปลกนะเขาจะตั้งคอลิฟาก่อนสมัยก่อนไดายพวกไอ คอวาดิสมัยก่อนที่มันตั้งนั่นแหะรัฐแหะมันจะมีคอมันตั้งคอร์ิฟ้าตัวเองก่อนแล้วมันก็ไปประกาศรวมมุจฮิดีนมาร่วมบางคนก็ไปเชื่อปรากฏว่าเดินทางออกไปทิ้งมะทิ้งป่าอยู่ในเมืองไปทิ้งเมืองออกไปมัวสั่วไปหมดนะดังนั้ น, น, นไอ้ตรงเนี้ต้องต้องดูให้ดีนะดังนั้ น, น, นเราอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันมีทิเบตสตายเขากล่าวประกาศให้ไปออกไปเนี่ยต้องออกไปไหมไม่ต้องเราพี่น้องเพราะมันไม่ได้มีคําสั่งขนาดนั้น ก็ให้ทำยิฮารที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือยิฮารเลยยีฮาร์กับนับซูเรานะด้วยกับความรู้นะครับอ่ะก็หมดเละนะจบตรงนี้นะจบตรงนี้นะครับอาจรอนอัลจีมาตรงนี้อายาที่เจ็ดสิบสี่อ่าก็จบเท่านี้นะครับสุบฮานนะกอลฮุมมอวิฮัมดิกาชดอัลลออิลาฮิอิลลอันตาสตาฟิรูก้าวะตูบุลัอัสสลามุอะลัยกุมวะราะ์มัตุลลอฮ์วะบเระาตุ